เรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนิยกรรมเป็นต้น408ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสง์ ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงฆ์เอาละพวกเราจงลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรม ลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แหละถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนียกรรมเอาละ พวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วได้แบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงแบ่งพวกโดยชอบธรรม ลงตัชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วได้แบ่งพวกโดยทำปฏิรูปลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แล ถูกสงแบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปลงตัชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาดนั้นสู่อาวาดอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุ ได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปลงตัชนียกรรมเอาละ่ะพวกเราจะลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วได้แบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น409 ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสงฆ์ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่เธอแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาดนั้นสู่อาวาดอื่นแม้ในอาวาดนั้น พวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสง์แบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัชนียกรรมเอาละ่ะพวกเราจะลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่น แม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงแบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น ภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แหลถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปลงตัดนิยกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น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 เอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่เธอแล้วได้พร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น410ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาท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 ถูกสงแบ่งพวกโดยทรรมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้น พวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แหละถูกสงพร้อเพรียงกันโดยทำปฏิรูปลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น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 ลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุนั้นไปจากอาวาดนั้นสู่อาวาดอื่นแม้ในอาวาดนั้นพวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนียกรรมเอาละ พวกเราจะลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น411ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสง์ ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แลก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาสก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงเอาละพวกเราจะลงตัชนิยกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูป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 ท่านทั้งหลายภิกสุรูปนี้แลถูกสงพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกสุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัดชนียกรรมแก่ภิกสุรูปนั้นภิกสุนั้นไปจากอาวาสนั้นสู่อาวาสอื่นแม้ในอาวาสนั้น พวกภิกษุได้ปรึกษากันอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้แหลถูกสงแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงตัดชนียกรรมเอาละพวกเราจะลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นเรื่องสรุปความ ที่นักปราชผูกให้เป็นจักรไปยานจบ